ข้อที่สองก็ภิกษุนั้นย่อมอาศัยครูหรือสะพรมจารีผู้ตั้งอยู่ในฐานะแห่งครูรูปใดรูปหนึ่งเธอเข้าไปตั้งไว้ซึ่งฮิริโอตาปะความรักและความเคารพอย่างแรงกล้าในท่านเหล่านั้นแล้วย่อมเข้าไปหาท่านเสมอเสมอเนี่ยนะคือคืออาศัยท่านเคารพท่านนับถือท่านก็เข้าไปหาท่านบ่อยๆนะไปสอบถามท่านว่าท่านผู้เจริญข้อนี้อย่างไรเนื้อความของข้อนี้เป็นอย่างไรเนี่ยนะ ก็ไปถามว่าพระพุทธพจน์นี้เป็นยังไงนะความหมายของพระพุทธพจน์นี้เป็นอย่างไรท่านเหล่านั้นก็จะเปิดเผยในสิ่งที่ยังไม่เปิดเผยกระทําให้ง่ายซึ่งสิ่งที่ยังไม่ได้กระทําให้ง่ายบันเทาความสงสัยในธรรมะเป็นที่ตั้งแห่งความสงสัยเนี่ยนะหลายอย่างแก่เธอเนี่ยนะแล้วก็ให้ไปสอบถามเนี่ยนะที่อื่นจะบอกด้วยนะว่าสอบถามก็ไม่ใช่ว่าสอบถามพร่ำเพื่อไม่รู้การไม่รู้เวลาว่านืนกันอนนี้น ที่อื่นท่านบอกว่าให้รู้ว่าตอนนั้นอะท่านท่านนั่งอยู่หรือท่านอยู่ในฐานะพร้อมที่จะตอบปัญหาเราได้แล้วในระหว่างที่ท่านยินดีที่จะตอบปัญหาไม่ใช่ไปถามพร่ำเพื่อเนี่ยนะเกรงว่าไม่รู้เวลานะั้นนึกอยากถามเมื่อไหร่ก็ถามเมื่อนั้นอนะไม่ใช่นะในในสูตรอื่นเนี่ยพระองค์บอกเวลาด้วยว่าไอการเข้าอาศัยกาลยานามิตรต้องรู้เวลาว่าเวลาไหนควรสอบถามเป็นต้นเนี่ยนะ แต่ตรงนี้จับเอาแต่สาระสําคัญว่าเมื่ออาศัยกัลยาณมิตรก็สอบถามเมื่อสอบถามท่านก็จะเปิดเผย <c oughs> ตอนนี้เป็นเหตุข้อที่สองเป็นปัจจัยที่สองเป็นไปเพื่อความได้ปัญญาอันเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ที่ยังไม่ได้เพื่อความมียิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อความไพ่โบนแห่งความเพื่อความเจริญเพื่อความบริบูรณ์แห่งปัญญาที่ได้แล้วเนี่ยนะการสอบถามนั่นเองข้อหนึ่งข้อ2เนี่ยโดยสรุป ก็คือปัจจัยภายนอกแห่งการได้ปัญญาเนี่ยนะนะปกติแล้วปัจจัยของสัมมาทิฏฐิมีอยู่สองอย่างด้วยกันข้อแรกปรโตโคสะเนี่ยนะข้อที่สองก็โยนิโสมนสิการอันนะข้อ1ข้อ2เนี่ยคือปรโตโคสะตั้งแต่ข้อ3ถึงข้อ8อีก6ข้อนี้เป็นธรรมะประเภทโยนิโสมนสิการแสดงว่าผู้อื่นจะช่วยเราได้แค่ถ้าตรงนี้นะข้อ คนอื่นช่วยเราได้แค่สองข้ออีกหข้อที่เหลืออัตหิอัตโนโนาโถโกสีนาโถปโรสยานะตนแลเป็นที่พึ่งของตนคุณนิลาวันนะตนแลเป็นที่พึ่งของตนนะแต่คุณนิลาวันมีบุญมากพระไตรวิฎกที่บ้านก็มีเป็นตู้อยู่แล้วปัญหาสําคัญว่าจะกรุณาตัวเองมากหรือเปล่าท่านนั่นเองเอาบูชาพระไตรวิฎกเออสาธุสาธุ ดีตีนี่ใครไม่ได้อ่านนะเอาพะไตไปดกตั้งแล้วหาดอกไม้บูชาแบบ<ป>คุณวิลาวันเนี่ย<ป>จริงๆมาโมทนาด้วยเป็นเรื่องจริงเขาบอกว่ า, ามีอยู่บางแห่งอธิบายว่าถ้าหากว่าหาอะไรเคารพบูชาไม่ได้ <c oughs> ให้เขียนปฏิจจสมุบาททั้งอนุโลมปฏิโลมแล้วตั้งเป็นเจดีแล้วบูชาเนั่นแหละเป็นธรรมบูชา เพราะนั้นนี่ไม่เอาปฏิจจาอย่างเดียวเอาทั้งปตายวดกบูชานะจะได้บุญขนาดไหนค่อยๆระลึกนะ เ, เล่มที่หนึ่งสอนว่ายังไงด้วยนะคุณดาวันจะได้ประโยชน์ลึกซึ้งตรงนั้นด้วยนะเล่มที่สองว่ายังไงบ้างเล่มที่สามว่ายังไงนะถ้าสุตตระสูตรเล่มที่สิบหกนี่ว่ายังไงบ้างธรรมะหมวดหนึ่งหมวดสองก็บูชาอย่างเงี้ยไปเรื่อยนะและโยมอ่านไม่ได้เลย แล้วสำคัญนะธรรมะหลายๆเรื่องอยู่ในนั้นแหละนะธรรม ะ, ะที่น่าสนใจหลายๆเรื่องอยู่ในพระวินยัยทีนี้เราก็ควรที่จะอ่านพระวินัยบ้างเราจะได้รู้ว่าจะได้ปฏิบัติยังไงกับกับท่านถูกไม่อย่างนั้นเราก็ไปบางทีอ่ะเราก็จะบอกเอ๊ะทำไมพระอันนั้นก็ทำไม่ได้ฉันเองก็น่าจะฉันได้ต้องยกยื่นให้อีกอย่างเงี้ยใช่ไหมทาไมพระขี้เกียจจังอย่ารกน่าจะได้ย่าบัางเลยหเพราะนัเราก็จะไปตําหนิท่านในส่วนที่ไม่ควร ไม่ควรตำหนิเนี่ยนะแล้วก็บุญประเภทวิ ย, ยาวัจจไม่บุญประเภทในการช่วยเหลือขวนขวายเป็นต้นเราก็จกักจักหมดไปนะก็ควรที่จะศึกษาบ้างานะไม่ศึกษาแล้วก็ดีไม่ดียโยมนั่นแหละเป็นคนส่งเสริมให้พระเนี่ยผิดนะพระท่านบอกไม่เอามันผิดไม่เป็นไรท่านยุคนี้สมัยนี้ไหน ด, ดีไม่ดีนั่นนะสอนท่านอีกข้อสามเลยนะว่าภิสูุนนั้นฟังธรรมะนั้นแล้ว ย่อมยังความหลีกออกสองประการให้ถึงพร้อมคือความหลีกออกแห่งกายและความหลีกออกแห่งจิตอันนี้เป็นเหตุข้อที่3เป็นปัจจัยข้อที่สเป็นไปเพื่อความได้ปัญญาอันเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ที่ยังไม่ได้เพื่อความมียิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อความภัยบู์เพื่อความเจริญเพื่อความบริบูรณ์แห่งปัญญาที่ได้แล้วส อ, อย่างนะเมื่อไปได้อาจารย์ดีครูดีข้อสอง ไปสอบถามจนเข้าใจละเอียดทีท่วนหมดแล้วนะสรุปว่าเข้าใจธรรมะเป็นอย่างดีกิจต่อไปที่ควรทําก็คือการหลีกนะหลีกทางกายคําว่าหลีกทางกายก็คือพยายามที่จะอยู่เงียบๆคนเดียวเนี่ยนะหาที่อยู่เงียบๆนั่งเงียบๆเดินเงียบๆพยายามอยู่ผู้เดียวว่างั้นเถอะอันนี้หลีกออกทางกายถ้าหลีกออกทางกายแล้วเป็นยังไงก็หลีกทางใจด้วยนะหลีกทางใจนี่หลีกไปไหนอ่ะเลิกคิดเลยหลับอย่างเดียว เป็นไงว่หลีกเก่าทางจิตหลีกไปไหนอ่ะอ๋อคำว่าหลีกก็คือถ้าหลีกก็ต้องแสดงว่าต้องออกจากที่หนึ่งเพื่อเข้าสู่อีกที่1คําว่าลีกในที่นี้หมายถึงหลีกจากอกุศลวิตกทั้งหลายเนี่ยนะก็หลีกจากอกุศลธรรมทั้งหลายน้อมจิตไปในกุศลทั้งหลายเนี่ยนะหลีกทางกายก็ดีแล้วหลีกทางใจด้วยเนี่ยนะหลีกออกจากอกุศลวิตกทั้งหลายแล้วก็เจริญกุศลวิตกเป็นต้นให้มาก ทีนี้คนที่หลีกเนี่ยนะปกติเนี่ยการหลีกทางจิตจะไม่ค่อยบริบูรณ์มากนะักถ้ากิจอื่นๆยังไม่พร้อมเพราะง์ก็แนะนำเหตุปัจจัยข้อที่สีที่ทำให้ได้ปัญญาคือภิกษุเป็นผู้มีศีลสํารวมในปาธิโมกถึงพร้อมด้วยมัญญาตมัญญา ต, ตัวนี้มาจากคำว่าอาจาระเนี่ยนะคืออาจาระทางกายอาจาระทางวาจาอาจาระทางใจนะเป็นผู้ที่ บริบูรณ์ด้วยอาจาระนั่นเองอาจาระที่นิยมแปลว่ามันยา่ามันยาทางกายก็ดีมันยา่าทางวาจาก็ดีและโคจรเนี่ยนะถึงพร้อมด้วยโคจรคือไม่เที่ยวไปในที่ที่ไม่ควรเที่ยวเช่นร้านสุราเป็นต้นเนี่ยนะบ่อนการพนันนี่ไม่ควรแวะเลยอย่างั้นทั้นก็ที่ที่ไปเนี่ยไปบินทบาทก็รู้จักที่รู้จักหลีกรู้จักเลี่ยงไม่ใช่ว่าไปด่ไปหมดเลยไม่ใช่เห็นภัยในโทษ แม้มีประมาณน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในศิกขาบททั้งหลายคําว่าเห็นโทษแม้มีประมาณน้อยเนี่ยนะเห็นภายในโทษมีประมาณน้อยเนี่ยเช่นบอกว่าเห็นขี้ฝุ่นเท่าก้อนเมฆนะนะสำนวนนะนะเขบอกว่าเห็นขี้ฝุ่นเนี่ยเท่าก้อนเมฆเห็นอบัตทุกฏเนี่ยใหญ่เท่ากับปาราชิก <c oughs> หรือเห็นทุพภาสิทธ์เนี่ยการพูดเล่นเนี่ยใหญ่โตเหมือนกับปาราชิกเลยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าเห็นโทษ เห็นไถยในโทษแม้มีประมาณน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายเนะสิกขาบทพระธรรมคําสอนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงทั้งหมดก็ต้องสมาทานที่จะประพฤติ ธ, ธรรมะเหล่านั้นทั้งหมดอันนี้เป็นเหตุข้อที่4ปัจจัยข้อที่สเป็นไปเพื่อความได้ปัญญาอันเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ที่ยังไม่ได้เพื่อความมียิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อความไพ่บูรณ์เพื่อความเจริญเพื่อความบริบูรณ์แห่งปัญญาที่ได้แล้ว มันปัจจัยสําคัญของการมีปัญญาก็คือศีล น, นะผู้ที่ศีลไม่ดีปัญญาก็ไม่ค่อยไม่ค่อยนี้แปลว่าพูดแบบรักษาน้าใจนะจริงๆแล้วคนไม่มีศีลไม่มีปัญญาหรอกเอาว่าให้ตรงถามว่าทำไมเพราะมัวแต่วิปฏิสารเนี่ยนะคนที่ศีลไม่ค่อยดีเนี่ยปกติจะเดือดร้อนใจเมื่อเดือดร้อนใจเนี่ยคิดจเจริญสมะถะง่ายไหม สมมติว่าปกติแล้วเป็นคนที่ทําปาณาติบาตอยู่มากสเพสัตาเวลาโหนตุสัตว์จะได้มีเวรแก่กันและกันเลยเนี่ยคิดอย่างงี้ได้สักสามประโยคไหมปกตินะถ้าเห็นมดก็ น, นึกแต่จะฆ่าเห็นปลวกก็ น, นึกแต่จะทําลายเห็นคนนึกแต่จะแช่งกระดาเนี่ยนะซึ่งมันมันผิดทั้งศีลตลอดเวลาเนี่ยแล้วมาเจริญเมตตาเนี่ยเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นศีลเนี่ยนับว่าเป็น อุปกรณ์สาคัญของการเจริญปัญญาทั้งที่เป็นไปกับสมถะและวิปัสนาเนี่ยนะแล้นถ้าคนศีลไม่ดีด้วยนะมักอยากฆ่าสัตว์มากๆและเจริญวิปัสนาสังขารไม่เที่ยงดีไม่ดีมันแช่งนะนะมันจะไม่เที่ยงแบบธรรมดานะมันจะไม่เที่ยงแบบแช่งด้วยในตัวเกิดมาไม่เที่ยงทั้งนั้นแหละแต่ว่าแม่อยากให้ก็ตายด้วยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าจิตที่คิดเบียดเบียนมันจะมีพร้อมพร้อมกับที่เรียก เหมือนวิปัสนาแต่จริงๆแล้วไม่ใช่วิปัสนาอะไรหรอกเพราะฉะนั้นศีลเน้นับว่าเป็นบาสําคัญมากในการเจริญปัญญาเนี่ยนะถ้าศีลไม่ดียากที่จะเจริญปัญญาได้นะอย่างการเจริญอสุภะเหมือนกันอย่างเท่าที่ทราบมาคนที่ผิดศีลอย่างอย่างศีลข้อที่สมเนี่ยผิดมามากนะอสุภะไม่ใช่ว่าจะเจริญง่ายๆนะเพราะอะไรเพราะว่าไอาสิ่งที่ทำเนี่ยมันจะโผลมาหมดเลยเนี่ยนะเท่าที่รู้จักกันกับหลายท่านที่เจริญกรรมฐ า, านเนี่ยนะ ยิ่งผู้ที่ทําสายปานาติบาสมามากปานาติบาจะโผล่มาเรื่อยๆเนี่ยนะที่ที่ไปผิดศีลมาจะทําให้ร้อนเพราะเรื่องนั้นแหละแล้วผู้ที่ผิดการเมสุมิฉาจานนะไปผิดที่ไหนมาเนี่ยนะมันจะระลึกได้หมดเมื่อร ะ, ะลึกได้หมดเนี่ยมันบันทอนไอไอสมถาวิปัสสนาที่กําลังเจริญอยู่มากเพราะฉะนั้นอกุศลวิตกเป็นต้นก็กลุ่มรุมสิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดความเสียใจในภายหลังศีลเนี่ยจึงเป็นอุปกรณ์สําคัญมากในการ ที่จะบำเพ็ญสมถาวิปัสนาให้ต่อเนื่องนะพูดถึงผู้ที่เจริญอย่างต่อเนื่องนะคือผู้ที่มีสติเว้นรอบมีสติในการทุกเมื่อเนี่ยผู้ที่จะมีสติเจริญกุศลในการทุกเมื่อถ้าศีลไม่ดีเนี่ยยากเพราะฉะนั้นศีลเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยแห่งปัญญาข้อที่สี่เนี่ยส่วนข้อที่ห้าเนี่ยอีกข้อหนึ่งพิสูจเป็นผู้มีสุตะมาก ทรงไว้ซึ่งสุตะสั่งสมไว้ซึ่งสุตะธรรมะทั้งหลายอันงามทั้งเบื้องต้นงามในถม้มกลางงามในที่สุดประกาศพรมจาจันพร้อมทั้งอาธธาัถฐพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงเป็นสิ่งอันภิกษุนั้นได้สดับแล้วมากทรงไว้แล้วคล่องปากตามพิจารณาด้วยใจแทงตลอดด้วยทิฏฐิหรือความเห็นเนี่ยนะคือเข้าใจในในพระธรรมนะจำธรรมะได้หมดแล้วธรรมะแต่ละหมวดเนี่ยเข้าใจทั้งหมดด้วย เห็นไหมเข้าใจความหมายทุกบทเลยนะถ้าพูดถึงแบบโบราณหน่อยท่านบอกว่าอย่างพระสุมังคลาพระสุมังคลาจารย์เนี่ยพระสุมังคลาจาร์คืออาจารย์ผู้เรียบเรียงดีกาอภิธรรมตสังกะหะอาจารย์ของท่านคือภาษาลีบุตรภาษารีบุต ร, รนี่คือผู้ที่เรียบเรียงดีกาพระวินัยเนี่ยนะภาษาลีบุตรเนี่ยนะสัริบทลังกานะไม่ใช่สาริบุตรอินเดียภาษาลีบุตรเนี่ย เป็นพระที่แตกฉานมากเขาบอกว่าวิจิตของท่านเนี่ยท่องเที่ยวในพระปริยัติมากเหมือั้นเถอเห็นไหมท่องเที่ยวไปแล้วท่านขยายได้ทุกศัพท์ในในในพระไตรปิฎกทั้งหมดนี่ไม่มีสงสัยอย่างท่านแบบชั้นสูงเลยนะอย่างพระพุทธโคสาจารย์เนี่ยโอ้นี่ความสามารถเนี่ยสูงมากในการแต่ละบทแต่ละบทนี่เข้าใจอย่างทะลุโปร่งเนี่ยนะแต่ถ้าเทียบพระพุทธโคสาจารย์ก็บอกว่าห่างจากพระอา น, นุ์มาก โอ้โหถ้าพระนรแล้วด้วยพุทธพจน์ทั้งหมดที่ท่านจํำนะหนึ่งบทท่านคูณหกหมื่นบทเอาไว้เถอะ น, นะถ้าพระไตรปิฎกแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์เนี่ยนะท่านขยายแล้วคูณตามนั้นเข้าไปไม่มีจบมีสิ้นก็บอกว่าภาษาท่านนนี้ถ้าเทียบกับพระมหากัจจายนะก็ห่างหรือพระนรถ้าเทียบกับพระสารีบุตรนี่ห่างกันมากนะเทียบกันไม่ติดเลยนะแล้วพระสารีบุตรถ้าเทียบกับพระปัจเจกก็ห่างมากนะแล้ว พระพระประเจกจเกับพระพุทธเจ้าถ้าเทียบกับพระพุทธเจ้าเนี่ก็ห่างกันมากนีนะฮะตัญญานี้แตกต่างกันไอ้บทบทเดียวกันเนี่ยเข้าใจไม่ได้เข้าใจเท่ากันเนี่ยชีย้ให้ดูท้องฟ้านะมันก็ชี้อย่างนั้นแนหะคนตาดีมันก็ดูได้ไกลไม่มีที่สุดนยะคนตาสั้นจูอาจจะดูได้คืบเดียวอย่างนั้นนะนั้นก็ก็แล้วแต่สายตาของใครที่จะมองออกไปเนี่ยนะ อย่างสมมติว่าคำว่าไม่เที่ยงเนี่ยให้ภาษาริบุตรอธิบายท่านนั่งอธิบายคำว่าไม่เที่ยงได้นเจ็ดวันเจ็ดคืนก็ไม่มีจบอย่างเงี้ยนะของเราก็เออมันไม่เที่ยงอ่ะสามนาทีนี่ก็ชักชักได้เวลาทานอาหารและนะ้วอย่างเงี้ยท่นสุตตานี้สำคัญมากนะการศึกษาการทรงจาแล้วสังเกตดูนะว่าผู้ที่มีสุตะานี่จะทรงจาทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดเนี่ยนะ ไม่ใช่เลือกจำเป็นประโยคเฉยๆท่านจะเน้นจำทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดเนี่ยนะถามว่าจำเป็นอย่างไรที่ที่จะต้องทรงจำทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดเพราะว่าเบื้องต้นนี้ของธรรมะคืออะไรนะสรุปๆที่เคยได้ยินมาก็คือเบื้องต้นคือศาสนานี้นะเบื้องต้นคือศีลท่ามกลางคือสมถวิปัสนาและอริยมรดุด้วยที่สุดคือ อริยผลและนิพพานเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าถ้าไม่ทรงจําตั้งเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดจะเห็นศีลสมาธิปัญญาได้อย่างไงเนี่ยนะแล้วก็ไม่งั้นก็จะเลือกเจริญหรือเลือกปฏิบัติเฉพาะส่วนๆถามว่าเป็นไปได้ไหมฉันจะขอเลือกเจริญแต่อันนี้อันเดียวอย่างอื่นฉันไม่เอาอะสมมุติว่ามรรคแปดนะฉันจเจริญข้อเดียวอะเป็นไปได้ไหมหรือเจตสิกสมมุติเ่ยกุศลเจตสิกเลยนะสมมติว่าหมากุศลดวงที่หนึ่งมีเจตสิกนับแล้วไม่นับอีก เกิดได้ประมาณ33ดวงเนี่ยนะเสร็จแล้วท่านบอกว่าท่านจะเอาแต่ปัญญาเจตสิกอันเดียวเจตสิกอันอื่นฉันไม่เอาหรอกเป็นไปได้ไห ม, มก็เป็นไปไม่ได้ผู้ที่จะเจริญอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8เนี่ยต้องเจริญทั้ง8ไม่ใช่เจริญแต่อย่างใดอย่างหนึ่งแต่ว่าการประลบอย่างหนึ่งให้มรรคองค์อื่นๆสัมพันธ์กันเนี่ยเป็นไปได้เนี่ยนะแต่ว่าอย่งางไรเสียก็ต้องสัมพันธ์กันท่านพูดว่าท่านใช้คําว่าองค์นี ก็บอกว่าเสนานี่ควรมีองค์สถ้ากองทัพอ่ะนะกองทัพที่มาตรฐานอนะโบราณ น, นะกองทัพโบราณทุกวันนี้จะไม่รู้ว่ากองทัพมีองค์เท่าไรแล้วไม่ทราบนะแต่ก็กองทัพสมัยโบราณเขามีองค์สเนี่ยนะกองกองช้างกองมา้ากองรถกองราบอะไรเขาจะมีกองกองเขานะเขจึงเรียกประชุมกันเรียกว่ากองทัพมีองค์สถ้าดนตรีต้องมีองค์หนะถ้าดนตรีเขาจะมีองค์หไม่รู้ว่า คือพวกกลองพวกตะโพนเนี่ยนะคือชุดของเขาว่าชุดดนตรีของเขามาตีอันเดียวชิงฉังจิ้งฉั ง, ง, งมันจะไปในเรื่องอะไรแล้วถ้าฌานน่ยก็ต้องมีองค์ของฌานอีกใช่ไหมวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาเนี่ยนะฌานก็ต้องมีองคนะ์พ่อชงที่จะทําให้ตรัสรู้ก็ยังมีองค์อีกมักก็ต้องมีมีองค์คนยังมีองค์ประกอบเขาเรียกว่าอายาวายาิวะใช่ไหมถ้าขาดนะนะสมมติว่า ขาดแขนขาดเท้านะยังพออยู่ได้ถ้าขาดศรีรษะนี่แย่เลยนะเพราะฉะนั้นไอ้ร่างกายก็ต้องให้ใหใหใหใหมันครบครบองค์ไว้อะนะมันธรรมะก็เหมือนกันในการทรงจำก็ควรทรงจำเนี่ยให้เบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดทีนี้บอกว่าอา้าแล้วพระไตรปิฎกมากมายแล้วใครจะไปจำว่าจำไหวก็บอกว่าหนึ่งสูตรนะควรจำให้ตั้งแต่เบื้องต้นถึง ที่สุดนะหนึ่งสูตรก็ยังดีเขบอกว่าสําคัญอยู่ที่ว่าทรงจําคาถาเดียวแล้วมองเห็นอริยสัจปฏิบัติตามนั้นได้นั่นแหละเชื่อว่าหูสูตรแล้วเนี่ยนะคือว่าคนที่ที่ทรงจําไว้ดีแล้วนะี่ก็สูตรไหนดีที่ฟังแล้วแม้เข้าใจอริยสัจแมทะลุโ ป, ปรง่งลึกซึ้งมากเลยนะคุณปิดามีไหมสักสูตรหนึ่งโอ้สูตรนี้ฟังแล้วทําให้เข้าใจอริยสัจจริงๆเลยอะ่ะแล้วคิดว่าปฏิบัติตามนี้ได้นะฮะสูตรแบบนั้นสักสูตรหนึ่ง นะแล้วมั่นใจว่าสูตรนี้เจ๋งกว่าเพื่อนละว่า ง, งั้นเถอะสำหรับเราอะนะที่จริงทุกสูตรเนี่ยทาให้พ้นทุกได้หมดอะแต่ว่าสําหรับฉันนะสูตรนี้ดีจริงๆเลยนะช่วยให้ตรัสรู้อริยสัจแน่แต่สําหรับบางคนไม่ได้ถ้าต่ากว่าสิสูตรนี้เอาตัวไม่รอดแน่นะบางคนบอกไม่ไดนะ้ถ้าไม่เอาทั้งเป็นเล่มเป็นเล่มนี้สงสัยจะไม่ไหวนะบางคนบอกว่าฉันต้องปิดอกสามนี่แหละจริงจะเป็นที่พอใจนะก็แล้วแต่แล้วแต่ใครอะนะก็เรียกว่าควรรู้กําลังของ ตัวเองอะนะควรรู้กําลัง <c oughs> แต่ว่าที่สําคัญก็คือควรทรงจําทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดทีนี้ถ้าตั้งคําถามว่าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามีอะไรเป็นเบื้องต้นมีอะไรเป็นท่ามกลางมีอะไรเป็นที่สุดเนี่ยนะทั่วๆไปก็นิยมให้ระลึกถึงโอวาทพระปาติโมกใช่ไหมสัพปาปะสะการนังเนี่ยนะเบื้องต้นคําสอนต้องไม่ทำบาปเนี่ยนะเว้นจากบาปทั้งปวงข้อที่สองก็ ทำกุศลให้ถึงพร้อมกุศลสูปราสัมปทาเนี่ยนะทำกุศลให้ถึงพร้อมกุศลอนนั้นหมายถึงสมถะและวิปัสสนาให้ถึงพร้อมสัจจิตตประโยชน์ถ้าปานังอ น, นั้นหมายถึง อ, อรหัตตผลเนี่ยนะนะทำจิตให้เป็นอรหัตตผลได้เอตังพุทธานาซาสนังเนี่ยนะนะทั้งหมดนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกอง์เลยก็สอนอยู่อย่างนี้แหละ น, นะถ้ะาไต่ไปดกย่อมาก็เหลือเท่านี้แหละแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยไม่ใช่ยอ่อเหลือเท่านี้แล้วขยายก็ไม่ได้นะ ไอ้สำคัญเนี่ยพอคนนี่จะชอบย่อๆเสร็จแล้วไปขยายไม่ค่อยได้เนี่ยที่มันเสียหายขยายนี่ชักเอาและสเปสเปะมั่วไปหมดแล้วในอัตกรถาเสลสูตรสังยุตตนิกายก็ขออภัยสุดคุธกานิกายสุดตนิบาทเสลสูตรอธิบายคำว่าทำเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดเนี่ยนะที่จริงไม่ใช่มีที่นี้ที่เดียวที่อื่นก็มีเช่นใน สมันตะปาสาธิการเนี่ยนะเวรัญชะกันอนะเวรัญชะกันเวรัญชเวรัญชะกันนี่ก็พูดถึงธรรมะที่งามเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดซึ่งของเราก็ควรจะฟังเอาไว้ประกอบการพิจารณานะคำอธิบายบทเมื่อกี้ที่ว่าธรรมะทั้งหลายอันงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดประกาศพรหมจารีพร้อมทั้งอาธธาัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงเนี่ยซึ่งคํานี้มีอธิบายว่า พระอง då, ค์ ism, นี้แสดงธรรมะงามในเบื้องต้นงามในทถ้ำกลางงามในที่สุดความว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงอาศัยความกรุณาในสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะทรงละสุขอันเกิดแต่วิเวกเนี่ยนะพระพุทธเจ้านี้ละความสุขที่เกิดจากวิเวกนะกายวิเวกจิตวิเวกอุปธิวิเวกละความสุขที่เกิดจากการหลีกเล่นเนี่ยนะละความสุขที่เกิดจากการเข้าฌานละความสุขที่เกิดจากการเข้าสมาบัติ แล้วมาแสดงธรรมอันนี้ถือว่าเป็นพระมหากรุณาของพระองค์อย่างยิ่งเพราะพระองค์นี้สละมากทีนี้พระองค์นั้นเมื่อจะทรงแสดงธรรมนั้นน่ะแสดงน้อยก็ตามมากก็ตามก็ชื่อว่างามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางและงามในที่สุดเนี่ยนะทุกสูตรว่างั้นเถิดในทุกสูตรนี่งามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดนะนะมองให้เป็นก็แล้วกันเนี่ยนะถามว่าเพราะอะไรเพราะ ที่พระองค์ตรัสเนี่ยนะที่ใช้คําว่า ง, งามคาถาบาคาถาหนึ่งคาถาผู้ที่ปฏิบัติตามแล้วบรรลุมรรคผลได้เพราะฉะนั้นคําสอนของพระองค์นี้จึงงามทีนี้ถ้ามองในแง่ตัวหลักคําสอนเลยนะเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดก็คือาศาสนธรรมทั้งสิ้นงามในเบื้องต้นด้วยศีลอันเป็นประโยชน์ของตนเออศีล น, นี่เป็นประโยชน์ของตนจริงๆนะการรักษาศีล แต่การล่วงศีนี้คือว่าทำลายประโยชน์ตนนะผิดศีนเนี่ยทำลายประโยชน์ตนประโยชน์โลกนี้ประโยช น, น์โลกหน้าประโยชน์ทุกประโยชน์ทําลายหมดเลยเห็นไหมงามในท่ามกลางด้วยสมถาวิปัสสนามักและผลงามในที่สุดด้วยนิพพานอันนี้ในที่หนึ่งะมีหลายในมากทวัวในครั้งหนึ่งงามในเบื้องต้นด้วยศีนงามในท่ามกลางด้วยสมถาวิปัสสนามักผลก็สุดท้ายงามในที่สุดด้วยพระนิพพาน อีกอย่างหนึ่งในที่สองในที่สองบอกว่างามในเบื้องต้นด้วยศีลและสมาธิงามในถามกลางด้วยวิปัสสนาและมัจงามในที่สุดด้วยผลและนิพพานเนี่ยนะอริยผลนั้นรวมทั้งสัุปาทีา่เสสานิพพานด้วยนิพพานหมายถึงอนุปาทีา่เสสานิพพานเนี่ยในยะที่สามบอกว่างามในเบื้องต้นเพราะการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะพระพุทธเจ้านี้เป็นผู้ กว่าสาธุพุทธสุโพธิตานี่นะว่าโหดีเหลือเกินในความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้า น, นะพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรบ้างคุณวิลาวันอริยสัจสี่ใช่ไหมก็เอาแบบถ้าสุดตรสัสรู้ก็ต้องสิบข้อนั่นแหละทั้งสิบหัวข้อนั้นแหละใหญ่ใหญ่ละพงตรัสรู้หมดเลย น, นะงานในถ้ำกลางเพราะความเป็นธรรมดีของพระธรรมนี่นะธรรมะนี่ดียังไง ดีเพราะว่าพระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นต้นเนี่ยนะตรัสไว้ดีแล้วธรรมะเหล่านั้นซึ่งผู้ศึกษาปฏิบัติพึ่งเห็นได้ด้วยตนเองศึกษาและปฏิบัติได้แล้วให้ผลได้ไม่จํากัดการและเวลาเนี่ยนะเป็นธรรมที่วินยูชนรู้ได้เฉพาะตนเนี่ยนะเป็นความทำดีของพระธรรมงามในที่สุดเพราะการปฏิบัติชอบของพระสงฆ์เพราะไรเพราะว่า พระศาสนาที่จะดำรงอยู่เนี่ยนะความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้าความที่เป็นธรรมดีของพระธรรมจะดำรงอยู่ในโลกได้นานหรือไม่นานอยู่ที่การปฏิบัติชอบของพระสงฆ์คำว่สงฆ์นี่คือที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้านะทั้งพุทธบริษัทนั่นแหละถ้าพุทธบริษัทยังปฏิบัติดีอยู่ความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้าก็เชื่อว่ายังปรากฏในโลกคําสอนก็ยังอยู่มีอยู่ในในโลกเพราะฉะนั้นความ ปฏิบัติดีของพระสงฆ์เนี่ยทำให้พระาศาสนาเนี่ยดํารงมัน่นอีกอย่างหนึ่งงามในเบื้องต้นด้วยการตรัสรู้ยิ่งเพราะฟังธรรมะแล้วเห็นจริงเพราะผู้ปฏิบัติพึงบรรลุได้เนี่ยนะอั น, นะัธรรมะของพระพุทธเจ้านะงามในเบื้องต้นคือพอฟังแล้วเข้าใจเลยว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆบางแห่งบอกว่าถ้าฟังแล้วนี่วนไม่ครอบงำถ้าฟังแล้วง่วงขึ้นอ่านแล้วง่วงอันนี้ก็ อันนี้ไม่รู้ธรรมะไม่ดีหรือคนไม่ดีก็ไม่รู้นะอันนี้ต้องคิดให้ดีนะคเครื่องรับไม่ค่อยดีอนะอพอเห็นเนตตีแล้วง่วงเลยอย่างนี้นะก็เครื่องรับไม่ค่อยดีนะธรรมะเนี่ยท่านดีแล้วงามในท่ามกลางด้วยการตรัสรู้ของพระประเจ ก, กพุทธเจ้างามในที่สุดด้วยการตรัสรู้ของพระสาวกนั่นไงคือธรรมะทั้งหมดเนี่ยที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยพระปัญญาอันยิ่งนั้นพระองค์แสดงมาผู้ฟังแล้ว ฟังแล้วต้องเข้าใจแล้วก็สามารถที่จะปฏิบัติบรรลุได้จริงทีนี้ผู้ที่ปฏิบัติบรรลุนั้นบางท่านบรรลุด้วยเป็นปัจเจกับผู้เท่เจ้าคือฟังแล้วเป็นอุปนิสัยในในการตรัสรู้ในพบต่อๆไปนะงานในที่สุดด้วยการตรัสรู้ของพระสงฆ์ในที่5ว่าเมื่อฟังธรรมะนั้นย่อมนำมาซึ่งความงามด้วยการฟังเพราะขมนีวอนเป็นต้นได้ นะเพราะฉะนั้นเจงงามในเบื้องต้นฟังแล้วขมนิวรนได้นิวรนไม่กลุ่มรุมเลยสะกะัก่ากามาฉันทาพยาบาตีนมิท่าอุเทจักกุกุจะเป็นต้นไม่กลุ่มรุมเลยเมื่อปฏิบัติย่อมนํามาซึ่งความงามในการปฏิบัติเนี่ยนะเพราะนํามาซึ่งความสุขอันเกิดแต่สมถะและวิปัสนาเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่างามในท่ามกลางสมถานี้ปฏิบัติแล้วเป็นสุขไหมยอย่างพรหมวิหารเนี่ยเจริญแล้วอยู่เป็นสุขไหม หรือถ้าเจริญกรรมฐานทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานเนี่ยที่ประกอบไปด้วยวิตกวิจารปีติสุขที่เกิดจากวิเวกเนี่ยนะเพราะฉะนั้นปฏิบัติแม้กระทั่งได้อุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิฌานที่หนึ่งสองสามสีเนี่ยเป็นความสุขอย่างยิ่งของการเจริญสมะถะแล้วเนี่ยนะเช่นพระองค์สอนเมตตาผู้ที่ปฏิบัติแล้วเจริญเมตตาจริงอะ่ะก็มีความสุขในการปฏิบัติเนี่ยนะผู้ที่เจริญวิปัสสนาแล้วจะมีความสุขหรือ เห็นแต่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยนะจะสุขย่ายังไงสุขไหมพระองค์บอกว่าผู้ที่เจริญเนี่ยนะผู้ที่หลีกเล่นอยู่พิจารณาขันห้าโดยอาการเกิดและ ความเสื่อมเนี่ยนะความเกิดและความเสื่อมย่อมเกิดปีติและปรามโมทไอปีติและปรามโมทนั่นแหละเป็นอมตะของผู้ที่รู้แจ้งเพราะฉะนั้นการพิจารณาเหตุเกิดกับความดับที่ถูกต้องต้องก่อให้เกิดปีติและปรามโมทพระองค์ตรัสไว้อย่างนั้นอย่า ง, ง, งในคาถาธรรมบทเนี่ยนะซึ่งเป็นคาถาที่ล้ายๆแห่งในอัตถาเอาไปอ้างมากเพราะถ้าเจริญวิปัสสนาแล้วต้องมีความสุขแบบนั้นคือเห็นความเกิดความดับเกิดด้วยการขันห้าเกิดด้วยการ 25นะถ้าดับก็โดยอาการ25รู้การเกิดการดับโดยอาการ50อย่างนี้เนี่ยก็จะก่อให้เกิดปีติและปรามโมน้นอันนั้นแหละเป็นอมตะของผู้ที่รู้แจ้งรู้แจ้งก็คือวิปัสสนานะเป็นความสงบเป็นความสุขของผู้ที่เจริญวิปัสสนาเพราะผู้ที่งามในท่ามกลางของคําสอนเมื่อเจริญไม่ว่าจะเป็นสมถะหรือวิปัสสนานี้ก่อให้เกิดความสุขเลย อันหนึ่งครั้นปฏิบัติอย่างนั้นแล้วเมื่อสําเร็จผลแห่งการปฏิบัติย่อมนํามาซึ่งความงามด้วยผลแห่งการปฏิบัติเพราะนํามาซึ่งความเป็นผู้คงที่อ่นะผ้าอรหันนี้คงที่ในทุกอารมณ์นะเพราะที่สุดของคําสอนจบลงที่อรหัตผลเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นผ้าอรหันเป็นผู้คงที่ทั้งในอิทธารมณ์และอ น, นิธารมเนี่ยนะอารมณ์ที่น่าปรารถนาก็จิตมั่นคงอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาจิตของท่านก็มั่นคง มั่นคงในทุกอารมณ์เนี่ยนะบอกว่าจิตของท่านคงที่เหมือ น, อนกับน้ำท่ามกลางทะเลอะองเี้ยคำว่าท่ามกลางนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ผิวน้ำไม่ใช่ข้างล่างของน้ำมันตรงกลางน้ำพอดีเลยนะเขาบอกว่าน้ำลึกแปด0มืสี 4, 000, ่พันโยด์อะสี่มืนโยดข้างบนสี่0มืนโยดข้างล่างนี่มันก็เพิ่ม แต่ไอ้ตรงกลางอันนั้นมันนิ่งท่นะ้งนั้นคงที่หมดเลยนะบอกว่าโหจิตเนี่ยต้องนิ่งขนาดนั้นมั่นคงมากแต่ว่านิ่งด้วยฉลังผู้เปกขาไม่ใช่ว่าไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะไม่ใช่แนะ่เพราะว่ามั่นคงด้วยอํานาจของสติและสัมปชัญญะในย่อที่6กบอกว่างามเบื้องต้นเพราะเป็นแดนเกิดแห่งที่พึ่งนะพระพุทธเจ้านี่เป็นแดนเกิดแห่งที่พึ่งถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าสารณะสามที่เหลือจะเกิดได้ไหม นะพระธรรมพระสงฆ์ก็ไม่น่าเพราะฉะนั้นนี่พระพุทธเจ้าเกิดแดนเกิดที่พึ่งคือพระพุทธเจ้านี่คือความงามในเบื้องต้นเนี่ยนะงามในท่ามกลางเพรา ะ, ระบริสุทธิ์ด้วยประโยชน์เนี่ยนะเพราะทําอะไรเพราะพระพุทธเจ้าหลังจากเกิดขึ้นมาในโลกนะมนุษย์ทั้งหลายจะได้ประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าประโยชน์อย่างยิ่งแล้วก็ประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพานเนี่ยนะอย่างสมัยพุท ธ, ธกาลนี้ผู้ที่ตรัสรูมม้มรรคผลนิพพานนิหาประมาณไม่ได้เฉพาะตรัส พระองค์ตรัสมงคลลสูตรนี่ก็บรรลุหาประมาณไม่ได้ตรัสในมหาสมัยสูตรนี่นะก็บรรลุหาประมาณไม่ได้ตอนที่แสดงอภิธรรมปิดกนี่ก็บรรลุมากมายเนี่ยนะแสดงธรรมจักก็บรรลุเยอะแยะไปหมดเลยเพราะฉะนั้นอันนี้ถือว่าเป็นความงามในท่ามกลางเพราะประโยชน์ทั้งหลายเนี่ยเกิดขึ้นอย่างมหาศาลงามในที่สุดเพราะบริสุทธิ์ด้วยกิจอ น, นะอ น, นะกิจกิจคืออะไรบ้าง กิจก็คือหน้าที่นะถ้ากิจของอริยศาสตร์ก็คือการบำเพ็ญกิจนั้นนั้นเพราะฉะนั้นเพิ่งทราบว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะแสดงธรรมะน้อยก็ตามมากก็ตามย่อมแสดงธรรมะที่มีลักษณะอันงามในเบื้องต้นเป็นต้นนั่นเองเพราะนั้นผู้ที่ฟังธรรมะที่งามในเบื้องต้นนะั้นะฟังแล้วก็ต้องเอาอัดเหล่านี้ไปไปพิจารณาให้เข้าใจแบบนั้นเพราะฉะนั้นบางแห่งนี่ยหนังในวิมุตตายตนะใช่ไหม พระศาสดาหรือสัพพมจารีผู้อยู่ในฐานะแห่งครูแสดงธรรมะเนี่ยนะแสดงธรรมะเธอย่อมฟังธรรมะนั้นเมื่อฟังแล้วก็เกิดปัญญารู้อัดและรู้ธรรมะเนี่ยนะรู้อัดและรู้ธรรมะคําว่ารู้อัดเนี่ยหมายว่าทุกบทนี้มีเนื้อความว่าอย่างไงพยัญชนะเหล่านั้นเนี่ยประกาศเนื้อความว่าอย่างไงว่าเนื้อความตรงนี้บอกศีลเนื้อความตรงนี้บอกสมถะเนื้อความตรงนี้บอก วิปัสนาเนื้อความตรงนี้บอกมร์บอกผลบอ ก, บอกนี้พ่านเนี้ฟังแล้วแยกออกหมดเลยพูดแบบง่ายๆก็อ่านสูตรไหนก็มองเป็นอริยสัจได้หมดเออบทถึงนี้ทุกขสัจนะบทตรงนี้สมุทยัยสัจบทตรงนี้นิโรธสัจบอกตรงนี้นิโรธสัจหรือมรข์ขสัจเนี่ยนะมรข์ขสัจนี่ตรงนี้ส่วนของศีลอยู่นะตรงนี้สมถะตรงนี้วิปัสนาเนี่ยนะแยกออกหมดเลยอะ่ะผู้ที่ฟังออกแบบนี้ถามว่าจะเกิดปีติปราโมทมากไหมเนี่ยนะก็เกิดปีติปราโมทในตอนฟัง ทีนี้ปีติปราโมทอันนั้นก่อให้เกิดแต่นะปราโมททาให้เกิดปีติปีติทําให้เกิดปัสสัต t h ปัสสัต thi ทำให้เกิดสุขสุกยังจิตให้ตั้งมั่นตั้งมั่นระดับไหนอัตถกถาบอกว่าอารหัตผลนั่นแหละเพราะอะไรเพราะว่าผู้ที่เกิดปีติเนี่ยนะหลังจากที่เกิดฟังธรรมนั้นก็ไม่ละเลยในปีติอันนั้นอาศัยกุศลเหล่านั้นเนี่ยเป็นบาตรเจริญวิปัสสนาต่อไปจนจิตตั้งมั่นด้วยอรหัตผลและจิตนั่นแหะท่า น, นว่ากั้น เพราะฉะนั้นอันนี้ถือว่าเป็นหลักของคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะที่เราฟังศึกษาเรียนรู้แล้วก็ควรที่จะมองให้ให้ออกทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดเนี่ยนะแต่ถ้าเอาแต่อย่างใดอย่างหนึ่งล้วนๆเลยเนี่ยนะก็แย่ yeah, เอาศีลล้วนๆเนี่ยได้โดยที่ไม่เอาสมาธิไม่เอาปัญญานะเป็นไปได้แต่ถ้าเอาสมาธิล้วนๆโดยที่ไม่เอาศีลได้ไหมไม่ได้ ผู้ที่เอาวิปัสสนาลุ่นล้วนโดยที่ไม่เอาศีลกับสมาธิก็จริงๆแล้วไม่ได้เนี่ยนะแต่ว่าตอนนี้มาแยกจะได้หมดเลยแยกได้หมดเลยนะมาเจริญลุนล้วนอ่ะนะแยกเจริญเป็นส่วนๆเนี่ยนะมันก็อย่างเช่นสมาธิก็เอาเอามานั่งอย่างเดียวเลยนะเพราะเขาถือว่าการนั่งแล้วไม่คิดเรื่องอื่นนั่นแหละเป็นสมาธิที่เขาเจริญแต่จริงๆแล้วสมาธิอย่างเช่นเมตตาเนี่ยนั่งนิ่งๆไม่คิดอะไรใช่ไหมชื่อว่าเจริญเมตตาใช่ไหม ไม่ใช่นั้นเมตตาคือการคิดให้คนอื่นคิดให้ตนและผู้อื่นมีความสุขเนี่ยนะนำประโยชน์ไปให้ไม่ใช่นั่งแล้วไม่รู้เรื่องอะไรแล้วก็ไม่คิดอะไรเลยนะดูแล้วจะมากจะดูจะเป็นหลับมากกว่านั้นไม่ใช่สมาธินะอนั้นเขาก็ใครก็นั่งกันอย่างนั้นนั่งรอรถเขาก็นั่งกันอย่างนั้นทั้งนั้นแหละนะนั่งรอรถรออะไรเนี่ยนะแต่นั่งในที่นี้หมายถึงว่าเป็นสมาธิที่เกิดจากความไม่เดือดร้อนใจทีนี้ถ้าวิปัสสนาล่ะก็ เห็นแจ้งเพันเห็นแจ้งก็เห็นแจ้งสมควรที่จะพ้นทุกได้น่แหละเพราะฉะนั้นถ้าจะเจริญไตรสิกขาสิกขาพระองค์ก็ตรัสว่ามีโดยลำดับนะถ้าเอาล่างไม่เอาบนได้แต่ถ้าเอาบนแล้วโดยไม่เอาล่างไม่ได้นะ